เอทิมันตังนามามิหังติโนโยวะตทุคำหาตินังโลกานัมุตมตโมเตโสภูมิงอติกันตตินาโอคังนามามิหงังเปียเดวะมนาุสสังเปียพระมานัมุตตโม О. โยนาคสุปันนาังบินินทรียังนมามิหังโสกาวิรัตจิตโตยโสภณามสะเทวเกโสกปฏเปปโมเทนโตโสภวันังนมามิหังภาชิตาเยนาสัทธรรมา ภะคะปะเบนะตาธินาพยาสัตติปะหาเซนโตพยสันต ah ังนมามิหังขมิโตเยนะสัตถโมขามาปิโตสเทวกังขัดชมานุสิวังรำมังขตาธรรมังนมามิหัง วา น, านิคมิโยตันหาวาจังภาสติอุตมังวา น, านิพาปนัทธายาวายมันตังนามมิหังขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระสงฆ์ด้วยด้วยใจเคารพเอือ้อเฟือ พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงปรารถนาพระสัพพัยุตยานทรงปรารถนาความสิ้นอาสวะทรงบรรลุธรรมที่ปรารถนาแล้วทรงได้รับความสําเร็จแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงข้ามพ้นความทุกข์ในวัฏฏะแล้วทรงพระคุณประเสริฐกว่าโลกทั้งสามคือโลกมนุษย์โลกเทวดาและพรหมโลก สงข้ามพลภูมิทั้งสามคือกามภูมิรูปภูมิและรูปภูมิสงข้ามโอคะสีคือกาโมคาพะโอค า, คาทิทโขคะและอวิชโชคะข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นที่รักยิ่งของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นที่รักยิ่งของพรหมทั้งหลายทรงเป็นที่รักยิ่งของนาคและคุตทั้งหลายทรงมีพระอินทรีย์อิมเ อ, อิบ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมีพระทัยคลายจากความเศร้าแล้วเป็นผู้เรืองนามในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพร้อมทั้งยังบูสัตวกโศกเศร้าให้หายโศกทรงมีพระชวีวันพุทธพองดังทองข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงจำแนกพระสัตวรรมไว้แล้ว ทรงทำลายบาปได้แล้วทรงมีพระอริยมั่นคงทรงทำสัตว์ผู้กลัวภัยให้หายกลัวแล้วทรงบำบัดภัยให้ระงับแล้วข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงบรรลุพระสัจ ธ, ธรรมแล้วทรงสอนมนุษย์และเทวดาให้บรรลุด้วยทรงบรรลุพระนิพพานอันน่ายินดีข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงออกจากวาณะคือตันหาเครื่องร้อยลัดแล้วทรงกล่า ว, วาจาอันเลิศเพื่อประโยชน์แก่การดับคือวาณะผู้ทรงมีความเพียรข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายนะในคราวที่แล้วตมาก็ได้กล่าว ถึงในเรื่องของพระพุทธคุณเพียงเล็กน้อยแล้วก็ตถาคตตถาคตโพธิสัตธานนะในยโยมเอามือลงกันได้เลยครับฟังสบายๆเดี๋ยวจะสรุปในคราวที่แล้วก่อนว่าอาตมาได้พูดอะไรไว้ก็คืออาตมาได้พูดว่าในในเรื่องของพระพุทธคุณเนี่ยคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไหม ท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสและ เ, เราเป็นผู้เราเราเป็นใครเราเป็นผู้ที่ใกล้หรือไกลจากกิเลสก็คือท่านเป็นผู้ที่ดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงนะเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับไปเกลือกกลั้วกับอกุศลนั้นชั่วล้ายอีกแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยและและพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงดับกิเลสทั้งหลายอย่างไรพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ดับกิเลสทั้งหลายได้ด้วยพระองค์เองด้วย ทำลายกิเลสทั้งหลายได้ด้วยตนเองก็คือมีปัญญาไปถอนรากถอนโคนนะทั้งกิเลสทั้งหลายที่มันฝังแน่นอยู่ในกมลละสันดานของพระองค์ให้ขาดสิ้นเลยกิเลสทั้งหลายนี่ที่มันฝังแน่นอยู่ในกมลละสันดานแม้แต่ของพวกเราเนี่ยที่นับพบนับชาติไม่ได้นะพระองค์ก็ทําลายแล้วและอีกเรื่องหนึ่งที่มาได้กล่าวถึงไปนั้นือเป็นเรื่องของตถาคตโพธิสัตย์ยมได้ มีตะขะตถาคตโพธิสัตหะกันหรือเปล่าคือคือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์พระองค์เนี่ยพัฒนาตนเองฝึกตนเองจนได้พระสัพพัญญุตญาณนะฝึกตนเองจนกระทั่งเข้าถึงความเป็นพุทธะก็คือดับกิเลสทั้งปวงได้ถ้าเรามีความเชื่อว่าพระองค์เนี่ยสามารถดับกิเลสได้ด้วยอัตภาพความเป็นมนุษย์แล้วเราก็กลับมามองที่ตัวเราว่าเราเป็นมนุษย์ไหม เราเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่เชื่อหรือไม่ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายในพระอริยสงฆ์เนี่ยที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดินตามมรรคเนี่ยเอกายนามรรคเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้และพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเข้าถึงความเป็นอริยะได้เนี่ยจากพุทุชนธรรมดาเนี่ยสามารถกลายเป็นอริยะได้จากคนธรรมดาสามารถกลายเป็นพุทธได้ ในข่าวที่แล้วอาตมาก็พูดถึงในเรื่องของ ต, ถ า, ตถาคตโพธิสัตถาก็คือเอาปัญญาก็คือเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญาแบบนี้จริงๆทีนี้เนี่ยเราจะมีตถาคตโพธิสัต tha ได้เนี่ยอาตมาวันนี้อาตมาก็จะขยายในคําว่าศรัท ธ, ธาให้โยมฟังนะแล้วก็จะยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลว่า เออคนในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีศรัทธาแล้วเขาได้อะไรเขามีศรัทธาศรัทธาที่ไปตั้งถูกแล้วเนี่ยเป็นศรัทธาที่ตั้งตั้งไว้ในถูกที่แล้วเนี่ยตั้งไว้ในพระพุทธเจ้าเนี่ยนําความสุขอะไรมาให้เขาทีนี้อาตมาจะข อ, อกล่าวาว่าคําว่าศรัทธาเนี่ยมีความเลื่อมใสเป็นลักษณะ มีความหยั่งลงไปเป็นลักษณะเนี่ยจะขยายความก็คือศรัทธานั้นเป็นเป็นเหมือนกับรากเงาแห่งกุศลทั้งพวงนะเหมือนกับที่ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อคนเกิดศรัทธาแล้วเนี่ยย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงียโสดลงสะดับฟังเมื่อเงียโสดลงสะดับฟังแล้วย่อมฟังธรรม คันฟังทำแล้วก็ทรงทำย่อมใครควรอัดแห่งธรรมทั้งหลายเมื่อใครควรอัตถะแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยทำทั้งหลายก็ทนต่อการเพ่งด้วยเมื่อทำที่ทนต่อการเพ่งเนี่ยย่อมเกิดฉันทะมีความรักมีความรักขึ้นมาเมื่อผู้ที่เกิดฉันทะแล้วความเพียนย่อมเกิด เมื่อครั้นที่มีความเพียรแล้วย่อมเทียบเคียงเมื่อเทียบเคียงแล้วย่อมตั้งมัน่นเมื่อเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วย่อมทำให้แจ้งซึ่งปรมาทสัจจะด้วยกายย่อมเห็นแทงตลอดซึ่งปรมัทสัจสัจจะด้วยปัญญาอันนี้ที่จะมากล่าวไว้นะี่คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ผลที่ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นมาทั้งนี้เขาเริ่มต้นที่ไหน เขาเริ่มต้นที่ศรัทธาใช่ไหมที่ธรรมากล่าวว่าเมื่อมีศรัทธาย่อมเข้าไปนั่งไกลเมื่อเข้าไปนั่งไกลย่ยอมจะเงี้ยวโสดสดับฟังเมื่อเงี่ยโสดสดับฟังนสดสดงี่เป็นต้นเนี่ยมันเริ่มที่ศรัทธาเท่านั้นเลยทีนี้เนี่ยไอ้คําว่าศรัทธาเนี่ยมาดูตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนะธรรมาจะยกเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยู่ในกุนับพระสูตรกล่าวว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยมียักษณีนะยักษณีตนเนี้ย ก็มีลูกอยู่สองมีลูกอสองคนคนหนึ่งเป็นเอา่าคนหนึ่งอายุอายุไม่เยอะนะอายุอีกคนหนึ่งยังเป็นทารกอยู่เลยต้องอุ้มอยู่ลูกลูกทั้งสองคนเนี้ยก็คือคนหนึ่งชื่อปุณัพสุส่วนอีกทารกที่อยู่ในมือของนางเนี่ยก็ชื่อว่าอุตรายักษ์แม่ลูกทั้งหลายแล้วเนี้ยเนี่ยกําลังหาอาหารอยู่เนี่ยในอัตภาพของความเป็นยักษ์เนี่ย อาหารของของนางเหล่านั้นก็จะเป็นพวกอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างเสเลตน้ำดีน้ำหนองน้ำเลือดนะเป็นทนนะนางก็หาอาหารเนี่ยพอดีว่านางก็ไปหาอาหารอยู่ ใ, ใกล้ใกล้กับสถานที่ที่พระพระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่แล้วในขณะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่นะให้กับพุทธบริษัท ในความอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือในเวลาในเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนะี่ยทุกคนจะนั่งนิ่งเงียบพระสูรเสียงของพระองค์เนี่ยจะเป็นมีความไพเราะมากเหมือนกับว่าเวลาที่ไม่ว่าเราจะห่างห่างจากพระองค์แค่ไหนนะไม่ว่าจะอยู่ไกลหรือจะอยู่ใกล้เราจะได้ยินเสียงของพระองค์ในชัดเจนแล้วก็ไพเราะมากในระหว่างที่เราฟังธรรมอยู่ต่อหน้าพระองค์เนี่ยเราจะเหมือนกับว่าพระองค์เนี่ย มองแต่เราคนเดียวพูดแต่กับเราคนเดียวและธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยเหมือนกับจะแสดงให้ให้เราฟังแค่คนเดียวเท่านั้นเลยเนี่ยนี่คืออนุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยคนก็เลยบรรลุกันเยอะและในตอนนั้นเหมือนกันนางยักษินีที่อยู่บริเวณแถวแถวนั้นเนี่ยก็ได้ได้ยินพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้านะ แล้วพร ะ, พระสูรเสียงขอ ง, ขอ ง, ของ พ, รพระองค์เนี่ยไปตัดกับผิวหนังของนางไปเหมือนกับมัน ส, สูรเสียงเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในสัพาพางร่างกายของนางก็มีผมขนเล็บ ฟ, ฟันหนังเนื้อเยื่อในกระดูกเอ็นหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส์น้อย เ, นยเป็นต้นอาหารใหม่าหารเก่านะพระสูรเสียงเนี่ยไพเราะมากและทีนี้นางก็มันเหมือนกับค น, คนกาลัง ได้เจอของที่มีค่าอย่างหนึ่งนะ่ะเขาก็ตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยเทศเทศอย่างตั้งใจเลยนะอาการของนางก็นิ่งนิ่งเงียบเหมือนกับว่าจิตของนางไม่ได้ส่งออกไปที่ไหนเลยเนี่ยอาการของนางก็จะเป็นไปว่านิ่งเหมือนกับเหมือนงงอยู่อยงนั้นนะ่ะถ้าเกดูจากข้างนอกแต่ว่าจริงแล้วนางนางจดจ่ออยู่กับพระสวดเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ฟังธทรรม และที่นี้เนี่ยนางที่จูงลูกมาคนนึงกับอุ้มลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยลูกพอลูกเห็นอาการของนางที่เป็นไปกับนิ่งงงอย่างนั้นน่ะลูกก็ร้องเรียกเอาแม่แม่ก็เตือนเรียกให้นางออกออกจากสมาธินะให้ให้นางเนี่ยให้นางเนี่ยหาอาหารต่อได้แล้วเออนางก็ดรมริว่าเออเนี่ยเห็นว่าเห็นทีว่าลูกของเราเนี่ยจะทําอันตรายต่อการฟังธรรมของเราแล้วนี้นางก็เลยขอร้องลูกว่า อุตรานปุนาสุลูกแม่ขอเจ้าจงนิ่งอยู่นะลูกนะขอลูกเนียเน่ยเงียบๆหน่อยจนกว่าแม่เนี่ยจะฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจบแม้ลูกเป็นที่รักของแม่ที่สุดสามีก็เป็นที่รักของแม่ที่สุดเหมือนกันแต่พระธรรมนั้นเนี่ยเป็นที่รักของแม่ยิ่งกว่าลูกและสามีอีกถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าลูกและผัวเนี่ยที่เป็นที่ที่รักที่สุดเนี่ย พึงจะปลดเปพื่อความทุกข์ในใจของแม่ไม่ได้เลยอันตัวแม่นี้เนี่ยมันมีมันถูกภัยคุกคามอยู่นะภัยในที่นี้ก็คือภัยคือความเกิดภัยคือความแก่ภัยคือความเจ็บภัยคือความตายเนี่ยมันกุ้มรุมแม่อยู่อย่างเนี้ยแม่ขอฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์เนี่ยตัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองก่อน แม่จะได้พ้นจากไอ้ความแก่ความเกิดความเจ็บความตายนีเ่เสียทีได้พ้นจากความโศกความร่ำไรลำพันเน่ยที่แม่เจอเนี่ยขอรูปเงียบๆหน่อยเถอะทีนี้ปุณพสูนเนี่ยเป็นผู้ที่รู้เดียงสาบ้างแล้วนะก็เป็นรูปยักษ์เหมือนกันนี้ก็พูดว่าแม่จา๋าเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยรู้พระสัทธรรมของพระองค์เลย เพราะเราไม่เคยฟังพระสัตธรรมของพระองค์นี่แหละตอนนี้พวกเราจึงทุกข์จึงทรมานเดี๋ยวก็หิวบ้างเดี๋ยวก็กระหายบ้างแม่จา๋าเราไม่เคยฟังพระสัตธรรมนี่แหละเราเลยต้องลำบากอยู่ในอันธภาพที่ต่ำต้อยแบบนี้อยู่ในอันธภาพที่ชั่วร้ายแบบนี้ตอนนี้ฉันกับน้องเนี่ยจะเงียบแล้วจ้ะ ขอแม่ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้จบเถิดเนี่ยพอพูดอย่างเงี้ยทั้งแม่ลูกเนี่ยก็ตั้งมั่นอยู่ในในพระสุเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้านะจนการเทศนาของของพระผู้มีพระภาคเจ้าบจบเนี่ยจบเนี่ยปรากฏว่าแม่ลูกเนี่ยแม่แล้วก็ปุณณะพสุเนี่ยก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยส่วนลูกทารกเนี่ยที่ยังเล็กเกินไปก็ไม่ได้บรรลุอะไรนะแต่ว่าได้อัธยาศัยของการฟังธรรม เทตมายกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากจะชี้ให้เห็นถึงการที่เอาศรัทธาไปตั้งไว้ใ น, ในสิ่งที่ชอบเอาศรัทธาไปตั้งไว้ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเชื่อมั่นในปัญญาของพระองค์แล้วก็ฟังพระสัทธรรมเงี่ยลงสัจเงียรลงสะดับฟังและในที่สุดก็เข้าถึงปรมาทสัจจะเป็นไปเพื่อดับกองทุกข์ทั้งสิ้นเลยและตอนนี้เนี่ย และตอนนี้เนี่ยยักษ์ทั้งหลายเหล่านั้น เ, นเขาก็ได้ดีกันแล้วและกลับมามองที่พวกเราบ้างพวกเราได้ดีกันหรือยังจริงๆแล้วเรื่องนี้พระองค์สอนพวกเราเนี่ยแหละว่าเราท่านทั้งหลายบอกกับตัวเองเลยนะเพราะว่าพวกท่านเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ย ไม่เคยฟังพระสัตยธรรมไม่เคยเอาศรัทธาไปตั้งมั่นไว้ที่พระองค์พวกเราทั้งหลายก็เลยมาประชุมกระแสขันกันอยู่ตรงนี้พวกเราก็เลยต้องประสบกับชาติภัยชาราภัยประสบกับความเศร้าโศกร่ำไรลำธา์นในอยู่ร่ำไปเป็นอย่างนี้ไหมเวลาอ่านพระองค์ไม่ได้บอกอยักตัวนั้นแล้วนะยักตัวนั้นได้ดีแล้ว แต่ต้องมาบอกพระองค์เนี่ยพยายามจะบอกแต่พวกเราเนี่ยเองในคําว่า เ, เราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าจะพูดว่าพวกเราเนี่ยก็คือพวกเราก็คงต้องเคยทําผิดต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามาอย่างแน่นอนนะในสังสารวัฏเนี่ยพวกเราอาจจะเคยหันหลังให้พระสัทธรรมเนี่ยเพราะเราไม่เคยหันหน้าไม่เคยฟังไม่เคยหันหน้าให้พระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยเปิดโอกาสให้พระองค์ได้แสดงธรรมเลยนะ ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติถูกต้องต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยฉนัยเราเลยฉไหนเราถึงยังได้มืดบอดอยู่ขนาดนี้นก็บอกกับตัวเองนะก็สอนกับตัวเองนะก็แปลว่าอะไรจงใช้เรียวแรงทั้งหมดจงใช้เรียวแรงที่มีศึกษาพระคุณของพระองค์ว่าพระองค์เีมีพระคุณขนาดไหนนะพระผูะ้มีพระภาคเจ้านะตัดว่าอานนท์ คำว่าพุทธโธก็ดีคำว่าธรรมโมก็ดีคำว่าสังโฆก็ดีเนี่ยอันสัตว์เหล่านั้ น, นไม่เคยได้ฟังมาแล้วนับแสนกับหรือยิ่งกว่านั้นก็คือในสังสงารวัตอันยาวนานของพวกเราเนี่ยเพราะเราเพราะว่าเราเคยสนุกอยู่กับการไปเที่ยวบ้างขับร้องฟ้อนลำดูหนังดูละครแล้วไปกินเหล้าบ้างไปเฮฮาไปปาร์ตี้บ้างเพราะเราเคยชินอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละ เราเคยชินกับสิ่งเหล่าเนี้มาอยู่อย่างยาวนานนะโดยอัธยาศัยที่มันฝังแน่นอยู่ในกมนลแลรสันดานของเราเนี่ยที่มันฝังแน่นอยู่ในกมนลแลรสันานของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนานๆทีพระพระุทธศาสนาะจะอุบัติเกิดขึ้นมาทีนานๆทีพระพุทพระผู้มีพระภาคเจ้านะจะอุบัติเกิดขึ้นมาทีในโลกใบหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเลยก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจเลยนะว่าเออเนี่ย พอสัตว์ทั้งหลายได้ฟังธรรมขึ้นมาเนี่ยก็หันหลังให้ไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังเบือนหน้าหนีพระสัตวธรรมมีเป็นอย่างนี้ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจเลยนะคนที่จะนับถือพระพุทธศาส น, นาเนี่ยจึงน้อยล ง, น, ยลงน้อยลงขึ้นทุกวั น, นแล้วถ้าบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยเรามาทําบุญกันเถอะไหนยอมไปชวนเพื่อนๆที่บ้านที่ครอบครัวนะหรือใครก็ได้ในตลาดแถวๆเนี้ย วันนี้มาทำบุญกันเถอะวันเนี้ยมาสวดมนต์กันวันนี้ไปฟังธรรมกันบางคนนี้ไม่เอาเลยนะแต่ถ้าบอกว่าไปดูหนังกันเถอะไปเที่ยวกันเถอะไปเล่นกันเถอะเนี่ยช้าอยู่ใหญ่หรือมันลองมาสังเกตนะว่าในที่วัดตอนที่อาตมาแม้กระทั่งอาตมาฟังธรรมอยู่เนี่ยจำนวนของคนที่ฟังธรรมกับจำนวนของคนที่ตอนนี้ กำลังไปดูหนังไปฟังเพลงไปเพลิดเพลินอยู่กับโลกต่างๆเนี่ยสิ่งไหนมีเยอะกว่ากันงั้นไม่ต้องแตกใจเลยเนาะที่เรามาประชุมกันกระแสะขันอยู่อย่างเนี้ก็เพราะว่ามันเป็นนี่ก็เป็นโทษของการละเลยพระผู้มีพระภาคเจ้านะและในที่สุดเราก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากวัฏทุกข์วัฏวัฏภัยได้ไม่ไม่สามารถที่จะพ้นจากความเกิดความแก่ ความเจ็บความตายได้นะและหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆเลยยังไม่ได้แสดงธรรมที่ไหนตอนนั้นเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีเทวดาบ้าง ม, มีเทวดามีพระอิฐ ม, มีพระคอมบัา ง, ม, ออ ม, งมาเป็นสารณะนะมนุษยก์ก็เชื่อไปไหว้ผีสางเทวดาทั้งหลายคิดว่า พระเจ้าเนี่ยมีจริงพระเจ้าเป็นผู้ดลบันดาลทุกทุกอย่างวันดลบันดาลความสุขดลบันดาลความทุกข์ให้เนี่ยไม่เป็นตัวทีนี้มนุษย์ก็จะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยคอยที่จะพึ่งแต่เทวดาและเมื่อและเนื่อถ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้คนเหล่านี้เี่พระพุทธเจ้าก็ดําริว่าถ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้คนเหล่านี้แล้วเนี่ยคนเหล่านั้นก็จะไม่ฟังหรอกแต่ถ้าฟังก็ฟังโดยไม่เคารพ ในพระภูมิพระพักเจ้าก็ทรงมีพระปริวิตกว่าเนี่ยทำที่เราบรรลุแล้วเห็นได้ยากตามรู้ได้ยากเป็นไปที่สิ้นตัณหานะหากิเลสเครื่องร้อยลักไม่ได้สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมเห็นทีเราจะเหนื่อยเปล่าซะแล้วในพระองค์ตัดพ้ออย่างเนี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเนี่ยเท้าสหัมบดีพรม ซึ่งเป็นมหาพรหมอยู่แล้วก็พร้อมด้วยมหาพรหมนะทั้งหมื่นจักรวาล น, นะทรงทราบ พ, พระปริวิตกของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังเนี้ยทั้งหมดก็ก็รวมตัวกันมานะมาปรากฏกายต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็แล้วก็มาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมนะบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะโลกจากชีพหายแล้วหนอโลกจากบรรลัยแล้วหนอ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงแสดงธรรมด้วยเถิดเนี่ยและผมก็มาเพื่อตัวเองว่าเนี่ยแม้ข้าพเจ้าเนี่ยไม่ใช่ผู้สร้างโลกหรอกแม้ข้าพเจ้าเนี่ยโดนบันดาลอะไรให้ใครไม่ได้หรอกข้าพเจ้าเนี่ยสมัยที่พระกัสสปะพุทธเจ้าเนี่ยสมัยในอดีตเนี่ยตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเนี่ยข้าพเจ้าเี่ยเป็นภิกษุ ที่อยู่ที่บวชในสำนักรพระผู้มีพระภาคเจ้านามว่ากัสปะได้ทำได้ทำได้ทำชานให้เกิดขึ้นเมื่อตายไปแล้วข้าพเจ้าเลยได้มาเกิดเป็นพรหมนิ่พรมมาเปื้อนตอนเองแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นไปตามกรรมสัตว์ที่ทำกรรมอะไรเอาไว้ก็ย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ที่ได้ทำความดีกุศล ก, ก, ก, ก, ก, กรรมนั้นก็เกื้อหนุนสัตว์ที่ทำอกุศลกรรมนั้นกรรมนั้นก็บีดคอยตามเบียดเบียนในทุกๆอัตภาพไป แ ล, แล้วสามก็ดีพรมก็กล่าวต่ออีกว่าเนี่ยสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาน้อยนี่ยังมีอยู่เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยสัตว์เหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อความเสื่อมแต่อย่างเดียวนีแต่ถ้าพระองค์แสดงธรรมนะสัตว์ที่เห็นตามยังมีอยู่พระองค์เนี่ยโปรดแสดงธรรมด้วยเถิดพระเจ้าค่าเนี่ยอาราธนาผู้เจ้าแสดงธรรมนะเป็นอย่างนี้พระองค์ก็กล่าวว่าไม่ได้กล่าวแค่พรมอย่างเดียวนะ รอง่าวว่าดูก่อนพรมแล้วก็ประกาศว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่าใดจงฟังหมายถึงว่าเราท่านทั้งหลายนะท่านจงฟังให้ดีนะฟังโดยตั้งใจฟังโดยใช้โยนวิมิสมส์อันศสิกานะฟังโดยใช้กันพิจารณาคิดให้ถี่ถ้วนพระองค์บอกว่าจงปล่อยศรัทธามาที่เราเถิดปล่อยศรัทธามาที่ตะขาคตสิ เราเปิดประตูอมตะธรรมแก่ท่านแล้วเป็นนี้เราเปิดประตูอมตะธรรมแก่ท่านแล้วประตูอมตะธรรมนี่คืออะไรความเป็นอมตะความไม่เกิดความไม่แก่ความไม่เจ็ดความไม่ตายเราเปิดประตูให้ท่านแล้วขึ้นอยู่ว่าท่านเนี่ยจะเดินเข้าก้าวข้ามประตูนี้ไปหรือไม่เนี่ยก็คือสัตว์โลก สัตว์โลกนี้ที่เป็นไปเพราะกิเลสเพราะดวงในดวงตามันมากเหลือเกินสัตว์ที่มันมีทุลีในดวงตามันเยอะเหลือเกินกิเลสหนาแน่นมากใช่ไหม <c oughs> ขนาดพระพุทธเจ้าต้องใช้คำว่าเธอปล่อยศรัท ธ, ธามาที่เราเธอตถาคตจะแสดงธรรมจักให้เป็นไปแล้วในขาถาที่บอกว่าบาหุงเวสรนังยันติปภปตานิวนานิจา อารามรุคขจีตยานีมนุษาพสายตาชิตามนุษย์เป็นอันมากเนี่ยเมื่อเกิดภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและรุขจีดีบ้างว่าเป็นสารณะคาถาต่อไปก็คือเนตังโคสรณังเขมังเนตังสารณมุตมังเนตังสารมามาขา ม, มา สัพพทุขาปมุจตินั่นมิใช่สารณะอันกเกษมนั่นมิใช่สารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้โยจะพุทธนจะธรรมันจะสังคัญจาสารนังขโตจาตารีอาริยสาสัจานีสมปัญญายาปัสสติ ทุกขังทุกขสมุปปาทางทุกขะสาจาติกะมังอริยจทังขี่กังมาคังทุกขูปสมคามินังส่วนผู้ใดเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมรัตพสงว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจสีคือทุก์เหตุให้เกิดทุกความก้าวล่วงทุกแลอริยมรรคประกอบด้วยองค์8อันเป็นถึงความสงบรักระงับทุกข์ด้วยปัญญาชอบ เอตังโคสรนังเขมังเอตังสรณมุตมังเอตังสรณมาคัมมาสัพพทุขาปมุจติพระพุทธองค์ก็ตัดว่านั่นแหละเป็นสาร ะ, ะอันเกษมนั่นแหละเป็นสาร ะ, ะอันสูงสุดเขาอันอาศัยสาระ น, ะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกพ้นจากภัยทั้งปวงได้เป็นต้นนะ ตอนนี้เราได้ยึดพระพุทธว่าเป็นที่พึ่งแล้วหรือยังเราได้ยึดพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งแล้วหรือยังเราได้ยึดว่าพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งแล้วหรือยังต่อไปจะมาจะยกตัวอย่างขึ้นมาตัวอย่างหนึ่งนะที่ที่บอกว่าที่พระองค์บอกว่าสออมปล่อยศรัทธามาที่เราเถอะเราเปิดประตูอมาตะธรรมให้แล้วนั่นหมายความว่าไง เดี๋ยวจะยกตัวอย่างมาตัวอย่างหนึ่งในสมัยพุทธกาเหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของมัทธกุลรีโยมอาจจะเคยได้ยินอยู่ถ้าเคยไม่เคยได้ยินนะก็ฟังใหม่เลยนะเรื่องมีอยู่ว่ามีพราหมณ์เศรษฐีอยู่คนหนึ่งนะชื่ออาทินาะกะุกากรไอ้เจ้าพราหมณ์คนนี้เป็นเศรษฐีที่ขี้งกตะหนีขี้เหนียวมากขี้เหนียวขนาดไหน ไม่ยอมเสียเงินให้ใครๆเลยไม่ยอมพร้อมจะยอมทําทุกอย่างด้วยตัวเองเนะ่เวลาจะทํารองเท้าเวลาจะทําเครื่องนูหอมอะไรก็ดีเนะี่ยก็ทําด้วยตัวเองหมดไม่ยอมเสียค่าแรงให้ใครเลยว่า้นเธอแม้กระทัง่งแล้วเขาก็มีลูกนะลูกชื่อมัททากุนตรีลูกคนนี้วันไอไอเจ้าพรามเนี่ยก็รักลูกมากเหมือนกันนั่นแหละแต่ขณะที่รักลูกนะก็อยากจะทาต้มหูทองให้ลูก แต่ด้วยความที่ไม่ไม่อยากจะจ้างช่างทองมาทำให้นะตัวเองก็ทำตุ้มหูทองเนี่ยเอาทองมาตีแผลนะทำให้เป็น ต, ตุ้มหูที่เกลี้ยงเกลาแล้วก็แล้วก็เอาให้รูปเนี่ยคำว่ามากกทาคุนทีเนี่ยก็ก็แปลว่าผู้มีตุ้มหูที่เกลี้ยงเกลานันเองเนี่ ย, เ, ยเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้ความขี้งกความความขี้ตะนีของแกเนี่ย แกก็สอนลูกว่าเนี่ยเวลาเห็นพระสงฆ์เนี่ยอย่าไปให้ทานเวลาเวลาเห็นพระพุทธสมณ ะ, ะโกดมเนี่ยก็อย่าอย่าเข้าไปใกล้เลยนะลูกอย่าไปให้ทานอย่าไปรักษาศีลอย่าไปเชื่อาการให้ทานมันเป็นการเปลืองเงินไ ป, ปเปล่าเสียทรัพย์สิ้นเปลืองมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งนะพอมัถธกุลตรีเนี่ยอายุได้สิบหกปีก็เกิดเป็นเป็นโรคผอมเหลืองขึ้นมาเนี่ยพอเป็นโรคผอมเหลืองใล้ภรรยาก็บอกว่าเฮ้ยนี่ หาเอาหมอมารักษาสิไอพราหมณ์คนนั้นก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เปลืองเปลืองเนี่ยขนาดคนลูกลูกชายเป็นโลกนะบอกเปลืองนี่ความ ค, ความตณีกิเลสมันกุ้มลุมขนาดนั้นเลยเนาะบางทีโยมบางทีเราก็แบบเป็นบ้างไหมอ่ะ <c oughs> บางทีอาตมาเนี่ยเวลาตอนตอนอาตมามีมีของดีๆอะไรอาตมาก็ไม่อยากจะให้ใครอยากจะเก็บไว้ใช้คนเดียว <c oughs> นี่กิเลสของเราก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะ เนี <N> ่ย แ, แล้วพอกลับมาเรื่องเรื่องเนี้ยไอ้ไอเจ้าพามณ์คนเนี้ยวิธีการของเขาก็คือเขาก็ไปหลอกถามหมอว่าเอ้ยหมอเ น, นี่ยรูปไอ้อาการอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันต้องรักษาอย่างไรไหมอก็บอกว่ามันต้องรักษาอย่างนี้สิเออไปเอามาสมุนไพรตรงนี้มารักษารักษาใช่ไหมไอ้พามคนนี้ก็ไปหยิบสมุนไพรในป่ามาแล้วก็มาต้มให้ลูกกินเลยนะ <N> แต่ไอ้พามคนเนี้ยหมอก็ไม่ใช่อาการที่บอกอธิบายไปก็ไม่รู้ แทนที่ลูกจะหายจากโรคเนี่ยโหกนับป่วยหนักขึ้นมาอีกทีนี้กลับสุดอาการก็สุดลงสุดลงสุดลงเงี้ยเงี้ยแล้วพอพอไม่ได้เรื่องละทีนี้ก็เรียกหมอในสุดก็ต้องเรียกหมอแล้วนะแต่หมอเห็นอาการอยู่แล้วโหไม่ไหวอย่างงี้ตายแน่นอนมี้สุดขนาดเนี้เอ้ยเราไม่รักษาดีกว่าเรารักษาไปมันก็ตายอยู่ดีรักเรารักษาไปก็เสียชื่อเราเปล่าเปล่าใช่ไหยไอ้หมอคนนี้ย เ, เดี๋ยวมีคนคารหาว่าไอ้หมอคนนี้แม่งไม่เก่งเลยอ่ะรักษาแค่นี้ก็ไม่หายเอ้ย เก็บกระเป๋าออกจากบ้านเลย <c oughs> เป็นอย่างนี้เออให้พามเห็นไม่ดีให้ลูกเราต้องตายแน่เลยทีนี้ก็ไอ้ไอด้วยความขี้งกความตะหนีของตัวเองนะนี่ก็บอกว่าไอ้เนี่ยลูกเราจะตายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมาเยี่ยมลูกเราเนี่ยมีคนมาเยี่ยมลูกเราเนี่ยเขาก็ต้องมาเข้ามาในบ้านของเราเนี่ยแล้วพอเข้ามาในบ้านของเราก็จะเห็นทรัพย์สมบัติของเรากองเต็มไปหมดเลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เนี่ยขนาดขนาดลูก กำลังจะตายนะยังห่วงซับขนาดนี้เลยเนี่ยในความตะหนี่มันเป็นอย่างนี้นะอืเสร็จแล้วก็เอารูปเนี่ยไปนอนไว้ที่ระเบียงไปตั้งไว้ที่ระเบียงเวลาใครผ่านไปผ่านมาจะไม่ต้องเข้าบ้านใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้เวลาไอ้เวลาดวงจิตที่เรากําลังจะตายเนี่ยเราเคยเคยคิดอย่างนี้ไหมว่าเวลาเราจะตายเนี่ยเราจะคิดยังไง เผือมันจะเป็นอย่างนี้ว่าในเวลาที่คนกําลังจะตายเนี่ยสภาพจิตใจตอนนั้นเนี่ยมันจะอ่อนแอมากๆ ม, มันจะอ่อนแอไงเหมือนอุปมาเหมือนกับคนเนี่ยกำลังจะจมน้ํำน่ะไอคนที่มันกําลังจะจมน้ําเนี่ยมันมันตะเกียกตะกายนะคว้าอะไรคว้าได้หมดเลยอะไรที่ผ่านหน้ามาจะรีบคว้าอย่างเดียวสมมุติว่า ดวงจิตสุดท้ายเ อ, อสมมุติว่ามีศพหมาลอยมาเนี่ยเราก็ไปคว้าศพหมามีดอกไม้ลอยมาก็ไปคว้าศพไปไปคว้าดอกไม้เนี่ยอะไรที่ผ่านผ่านผ่า น, านมาเนี่ยอุปมาฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยเหมือนกับดวงจิตของคนที่มันอ่อนแอขนาดนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราเป็นผู้มีปกติทําบาปนะเราเกิดเป็นนึกถึงบาปเป็นนึกถึงบาปอะไรที่มันลอยเข้ามาเนี่ยพอเราตายไปปุ๊บมีคติเป็นไปก็คือทุกคติ มีเป็นไปก็คือเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เ ด, ดชชันเฟศอสุรกายบ้างแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีปกติทํากุศลมาทำบุญบ่อยๆเข้าวัดมารักษาศีลบ่อยๆอยู่ทุกวันพระเนี่ยต้องมารักษาศีล น, นะอย่างน้อยต้องฟังธรรมละอ๋อไอไอารมณ์ไออารมณ์แบบที่โยมเป็นอยู่เนี่ยอารมณ์แบบที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยเนี่ยมันจะช่วยทําให้ทําให้เราไม่ไปทุกข์คตินะไม่ไปอบายนะเนี่ยเนี่ยทีนี้ที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทราบก็ทราบว่า ไอ้เจ้ามัทักุนตรีคนเนี้ยเมื่อตายไปเนี่ยเมื่อตายไปก็รู้ว่าจะต้องจะต้องลงนรกแน่ๆ แ, แล้วพระองค์ก็เอต้องการที่ที่จะมาอนุเคราะห์ไอ้เจ้ามาทักุนตรีเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชนด้วยนะไม่ใช่แค่ประโยชน์แกมาทักกุนตรีคนเดียวเนี่ยเราก็คิดว่าเนี่ยเมื่อเขาทําจิตจิบเริ่อมสายแล้วเนี่ยเขาจะมีเทวโลกเป็นไปในเบื้องหน้า แน่พระองค์ก็ดำรีอย่างนั้นเนี่ยก็ทรงบาทแล้วก็ทรงจีวร น, นะออกไปบินธบาตรใกล้ใกล้บ้านกับมัททากุณตรีเลยครั้งนั้นเนี่ยพระองค์ก็เป่งพระรสมีนะมีมีวัณะดุดทองนะสว่างสวัยนะพอมัททากุณตรีเนี่ยเห็นพระฉาณนารังสีของพระองค์เนี่ยก็มีทำทำจิตให้เลื่อมใสนะเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาในทันทีเลยแล้วคิดในใจว่าเออเนี่ยตอนที่พ่อของเราเนี่ย ตอนที่เรายัางยังสบายดีเนี่ยเพราะาพ่อของเราเนี่ยเป็นคนพาณ์นอเพราะว่าไม่เคยให้เราในเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เคยเปิดโอกาสให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐหนอผู้มีพระสมีงดงามดุดทองผู้ทรงผู้ผู้ทรงรุ่งโรดด้วยพระพุทธสีหรียญเปรียบไม่ได้ ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะสามสิบสองพยันชนะแปดสิบนะทรงเป็นผู้ที่รู้โลกอย่างจำแจ้งด้วยและพระองค์ก็เสด็จมาในนาที่นี้แล้วเนี่ยก็เพื่อทรงอนุคขอเราแท้ๆเลยเนี่ย พ, พอคิดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหความเลื่อมใสเนี่ยปลูกศรัทธาปลูกความเลื่อมใสของตัวเองให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องนะคิดตอนนั้นมีมีอะไรเป็นอารมณ์มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะ แล้วก็เนี่ยแล้วก็บนเพ้อกับตัวเองเนี่ยเล็กน้อยว่าเนี่ยเออเราแม้กระทั่งทานเราก็ยังไม่เคยให้แม้กระทั่งศีลเราก็ยังไม่เคยรักษาเนี่ยคนไม่ทานคนไม่รักษาศีลมันเป็นไงมีความเดือดร้อนใจเนาะในตอนที่กําลังจะตายคนไม่เคยให้ทานเลยไม่คนรักษาศีลเลยเอเริ่มเกิดความกังวลกวายใจล้วแต่ว่าแม้ในแม้แม้แมแมได้ฟังพระธรรมอย่างใดอย่างหนึง่งก็ไม่เคยเลยนี่พวกเรายังโชคดีนะเนี่ยนะระบาดนี้ มือของเราเนี่ยก็ยกไม่ขึ้นแล้วแม้แต่การประคองอัญเชิญเลยเราก็ทําไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรอีกละ่ะโอ้โหตอนที่เราสบายดีนะเราไม่เคยประคองอัญเชิญกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เคยเข้าไปสแสดงธรรมเลยแล้วตอนนี้เราจะทําอะไรได้อีกละ่ะเนี่ยพอคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวเองก็ทําความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราจะขอไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าเราจะข อ, อนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจแทนแล้วกัน แล้วเสร็จแล้วก็ทําความเรื่มสายให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องนะทําความเรื่อมใสให้เนี่ยที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอารมณ์นะพระพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะพระองค์แล้วพอพระองค์เนี่ยพอรู้ว่ามัทธาุณเรลีเนี่ยเกิดความเรื่อมใสละพระองค์ก็เสด็จไปเนี่ยมัทธาุณเทลีนะตอนนั้นขาดใจตายนะที่ตรงนั้นเองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเกิดไปปฏิสนธินะ ไปปฏิสนธิเป็นเทพบุตรนะมีวิมานทองอย่างยาวใหญ่มากเลยในสวรรค์เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยคนคนไม่เคยไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลแต่ว่าเพียงแค่ทำความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยที่ไปของเขาก็คือสวรรค์โดยส่วนเดียวเท่านั้นนี่เป็นอย่างนี้นะโยมสนใจไหมสนใจไหมโอ้ยเรายัางเรารอดแล้วเรารอดแล้ว บอกกับตัวเองงี้เลยนะเรารอดแล้วแปลว่าเราจะทําความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อย่างไรเ <Used> นี่ยกลับมากลับมาที่ฝ่ายพราหมนะที่ทําชา ป, ปนกิจศพของลูกชายเสร็จแล้วเนี่ยไอ้พราหมคนนี้ยก็มัวแต่ร้องไห้นะร้องไห้ในทุกวันทุกวันวันวั น, ว, นวันก็ไปไปในตะกาช้าเนี่ยแล้วก็บอกแล้วก็มัวแต่ร้องไห้ว่ า, าเอเาอเนี่ยลูกชายคนเดียวของเราอยู่ไหนลูกชายคนเดียวของเราอยู่ไหนร้องไห้อ ย, อยังงั้นนะ่ะเออเนี่ย เทพบุตรทีนี้ตอนที่มัทกุลตรีเกิดเป็นเทพบุตรแล้วเนี่ยก็มาตรวจดูว่าไ้กรรมอะไรหนอที่เราไปทํามาเนี่ยกรรมอะไรเนอสมบัติของเราจริงจงสมบูรณ์สมบูรณ์ขนาดนี้แล้วก็ทบทวนดูว่าเออเรามาจากไหนเนี่ยในที่ภาคก่อนเนี่ยเราเราได้ทําจิตเลื่อมใสในพระผู้มีภาคเจ้าโดยส่วนเดียวแล้วก็มาเกิดตรงนี้เนี่ยเอาแล้วพ่อของเราอยู่ไหนพ่อของเราอยู่ไหนล่ะมาดูว่าเออ พ่อของเราเนี่ยตอนนี้กําลังร้องไห้อยู่ในป่าช้านะร้องไห้กังวลกังวนกระวายใจนะร้องเรียกแต่เราร้องเรียกแต่เอาแล้วเขคิดว่าเออไอพ่อไอ้พ่อคนนี้เนี่ยไอตอนที่เราป่วยๆอยู่เนี่ยมันไม่หาหมอมารักษาเราเนี่ยไอ้ตอนนี้มา น, นั่งร้องห่มร้องไห้เนี่ยมันเป็นการกระทําที่ไร้สาระรมากเลยไร้ประโยชน์ไหมไอ้ตอนในเวลาปัจจุบันเนี่ยในเวลาปัจจุบันไม่ได้ทําให้ดีที่สุดเนี่ย ตอนเนี้ยมาเสียใจยถึงการกระทําในภายหลังเนี่ยโอ้โหมันมีแต่ความไร้สาระโดยส่วนเดียวนะเอางี้มาทักวุ่นตรีก็คิดว่าเนี่ยเี่ยวันนี้ยเนี่ยเราจะทําให้เจ้าพราหมณ์คนนี้ยมันเกิดความละอายเมื่อละอายในสิ่งที่ตนกระทําแล้วเนี่ยเขาจะได้แล้วก็ปลุกร้าวให้เขาเจอรุนกุศลซะเขาจะได้ไม่มีเขาจะได้ไม่ไมีทุกติเป็นที่ไปอ่ะในเบื้องหน้านะทีนี้ดังนั้นแล้วเนี่ย เจ้าเทพบุตรคนนั้นนะ่ก็ลงมาจากเทวดาลงนะแกลง้งแกล้งปลอมแปลงกายมาเป็นลูกชายน่ะแหละแปลงกายมาเป็นมัทธกุนทรีเนะี่ยทำหน้าตานี้ให้เหมือนกันเลยมาร้องไห้อยู่ข้างๆได้ติดกันเลยนะติดกันเลยแล้วก็ยืนประคองแขงค้ำครัวอยู่อย่างนั้นแล้วก็โอ้แล้วก็บ่นว่าโอ้พระจันทร์หนอโอ้พราทิตย์เนอโอ้บน่นเวียงอย่านัน้แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ในขณะที่พราหมณ์คิดว่าเนี่ย มาถกุนทรีเนี่ยมาแล้วเนี่ยโอ้โหภาพพรามนี่ก็เห็นของลูกเฮ้ยลูกเรามาแล้วลูกเรามาแล้วต้องเป็นลูกเราแน่เล ย, เยดีใจมากมันดีใจมากแล้วก็แบบเห็นไปเห็นมาถกุนทรีที่แบบว่าแต่งตัวแล้วก็ตุ้มหูเก้งเก่านะทรงมาลายดอกไม้นะทาตัวด้วยด้วยด้วยจันแดงเนี่ยโอ้โหรูปงามมากๆแล้วก็ประคองแขนขํามครวนอยู่ในป่าช้าเนี่ยเออก็เขาไปเขาไปถามว่าเออเจ้าเป็นทุกข์หรือเจ้าเจ้าร้องไห้เจ้าโศกเศร้าเพราะอะไรล่ะ มาทากุนตรีก็ตอบว่าเออเนี่ยเรามีรถมีรถทองคําอยู่คันหนึง่งงามมากผุดพองมากสว่างสวยมากแต่ว่าเรายังหารอรถไม่ได้ทําไม่ได้แล้วเนี่ยข้าพเจ้าขอตายเสีิดีกว่าถ้าไม่ได้ล้อรถที่มันเหมาะกับรถคันนี้แล้วเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมไ <c oughs> ทม์ก็บอกว่าเออ พ่อมโน scholar, พูพเจริรเนี่ยเจ้าอยากได้ล้อรถคู่ไหนทองคำแก้วมณีหรือทองละ่ะเงินอะไรบอกข้ามาเถิดข้าจะหาให้เจ้า ห, หาให้ทุกอย่างเลยแล้วก็บอกว่า <c oughs> ข้าจะจัดหาเองให้มาพอพอมาถ้ากุณตรีได้ฟังอย่างนั้นก็บอกว่าเออทีตอนที่เราไม่สบายเนี่ยพราหมณ์คนนี้ไม่ไม่คิดที่จะพาหมอมารักษาเราเลยเนหะ็นเราเนี่ยคล้ายลูกขึ้นมา ก็ร้องไห้อยู่งั้นนะ่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็พูดว่าจะทําจะทําอะไรก็จะทําอะไรก็ได้อ่ะจะขออะไรก็ขอได้เนี่ยทีแง่มาพูดเอาตอนเนี้ยเอาตอนที่เราตายไปแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วมาทักุนทรีก็บอกว่าเนี่ยข้าต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์ขอท่านจงให้พระจันทร์พระอาทิตย์กับข้าเถิดแล้วก็บอกว่าพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยทั้งสองย่อมปรากฏในบนท้องฟ้านะ มีรัศมีอยู่นะรถของข้าเนี่ยย่อมงามด้วยคู่ล้อนั้นแต่ว่าอะไรจะเจ้าพระทิดเจ้าพระจันทรเนี่ยมาประดับล้อของตัวเองโอ้โหเห็นอยู่เนี่ยอยากได้ล้อแบบเนี้ยพอมานพไอ้พรามคนนั้นพอได้ฟังปุ๊บเฮ้ยไอ้นี่บ้าแล้วบ้าไหมอย่างเงี้ยบ้าแล้วใครจะเอาพระธิดใครเอาพระจัน์มามาเป็นล้อรถได้เนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยเจ้าปาัดเจ้าเนี่ยเป็นคนโง่เนี่ย ที่มาปรารถนาสิ่งที่ไม่ควรปรารถนาเนี่ยถ้าคิดว่าข้าคิดว่าเจ้าจะต้องตายก่อนก่อนที่จะได้พระจันทร์พระอาทิตย์มันเป็นแน่นอนเนี่ ย, ยพอมัทธคุณทรีเนี่ยก็รู้แล้วว่าเออแล้วก็บอกกระตอกย้ํากลับไปว่าเนี่ยสมมุติว่าถ้ามีคนที่ร้องไห้อยู่ในสิ่งที่สิ่งที่ปรากฏอยู่เห็นอยู่มันต่อหน้าเนี่ยเขาเห็นอยู่แต่ว่าร้องไห้อยากอยากได้แต่ไม่ได้ กับคนที่ร้องไห้ในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยคนไหนที่โงกงว่ากันก็หมความว่ามันก็หมายความว่าเนี่ยการไปการมาของพระทิตพระทิศพระจันทร์เนี่ยเราก็ยังเห็นกันอยู่เลยเนี่ยเราอยากได้พระิตพระจันทร์เพราะเราเห็นมันเนี่ยเราอยากได้เนี่ยแต่เราไม่ได้เราก็เสียใจยใช่ไมเราร้องไห้เพราะเรื่องนี้กับอีกคนหนึ่งที่ที่ลูกชายก็ไม่มีอยู่แล้วลูกชายก็ตายไปแล้วไม่มีจริง ระหว่างเราทั้งสองคนเนี่ยระหว่างระหว่างท่านกับเราเนี่ยใครโง่ ก, กันมาพูดอย่างนี้เลยตอบย้ํากันไปโหพรามนี่ก็กำหนดใจจะไอ้นี่พูดถูกนี่ว่าไอ้นี่มันพูดถูกเว้ยแล้วก็บอกว่าเออพร้อมพ่อม า, อานพอาไอ้ท่านพูดจริงนี่ท่านพูดจริงๆนะเนี่ยนี่ระหว่างเราสองคนเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยโง่จริงๆเลย ข้าพเจ้าเนี่ยปรารถนาในในบุตรที่ที่ร่วงลับไปแล้วเนี่ยเหมือนกับทารกร้องไห้อยากได้พระจันทร์อย่างนั้นเนี่ยพอพราหมณ์คิดพิจารณาอย่างนี้กันเนี่ยโอ้การกระทําของเราช่างไร้ประโยชน์เนาะได้สติคืนมาเนาะแล้วก็เลิกร้องไห้แล้วก็กล่าวขอบคุณมานอย่างใหญ่เลยโอกล่าวขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ท่านทําท่า น, ท, านท่านเป็นผู้ที่ทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยหายเศร้าโศกได้แล้วเนี่ยขอบคุณมากเลยพอขอบคุณเสร็จปุ๊บ มานพเนี่ยก็แปลงกลายนะจากมัทธกุณทรีนะคนธรรมดาเนี่ยมานพธรรมดาก็กลายเป็นเทวดาเลยกลายเป็นร่างทิพย์ให้เห็นเลยโอ้พระพามเห็นอย่างนั้นเขาําไงต่อเฮ้ยนี่ท่านเป็นใครท่านเป็นเทวดาเป็นคนทันนลเป็นเป็นเท้าสก่าในชาติก่อนหรือท่านเป็นใครหนอคือตอนนั้นน่ะก่ายทิพย์ของมัทธาุณทรีเนี่ยสว่างสวยมากรูปงามมากเหมือนกับเท้าสก่าเลยโอแยกกันไม่ออกเลยนะก็ถามว่าเฮ้ยท่านเป็นใครเนี่ย มาทากุนทีเขาบอกว่าเอก็ท่านนะ่ะเผาบุตรเผาบุตรคนไหนแล้วเผาบุตรในป่าช้าเองแล้วนะ่ะคําควรร้องไห้อยู่ถึงถึงบุตรคนใดเนี่ยคนนั้นแหละก็คือข้าพเจ้าเนี่ยก็บอกประกาศตัวเองว่าตัวเองเป็นลูกนะข้าพเจ้าเนี่ยได้ทํากุศลกรรมเอาไว้ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเฮ้ยพรามณ์ก็แปลกใจดิเฮ้ยพราม์ก็แปลกใจจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะในตอนที่เรามีชีวิตอยู่เรายังไม่เคยเห็นลูกเรา ให้ทานเลยเรายังไม่เห็นเคยเห็นลูกเรารักษาศีลเลยเฮ้ยหรืออะไรอะไรจะเป็นไปได้ยังไงทานก็ไม่ทานทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่ให้เเพราะกรรมอะไรที่ท่านท่านจึงได้เกิดมาบนสวรรค์นี้เล่าตอนนั้นมาถักกุนตรีก็บอกว่าไอ้ตอนที่ข้าป่วยนะเป็นตอนที่ข้าได้รับทุกขเวทนามีกายการะสับกระสายอยู่ในตอนที่ที่อยู่ของตนนะ่ะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปราศจากทุลีนะ ข้ามพ้นความสงสัยอ่ะเสด็จไปเสด็จไปดีแล้วมีพระบัญญาไม่ซามนะข้าพเจ้ามีใจเบิกบานเริ่มใสคือข้าพเจ้าเนี่ยทําใจเริ่มใสในพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ยได้กระทาอัญเชิญในใจในใจนะแด่แดดพระธถาคตเนี่ยค่าทํากุศลกรรมนี่แหละข้าจึงมาเป็นเทวดาแล้วก็ภรรยาสาสาทยายพุทธคุณนะยาวปึ๊ดปืแล้วก็เพียงเพียงแค่เทวดานั้นอ่ะสัมเสริญพระคุณของเทวดาเอ่อของของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นอ่ะ ทีนี้เนี่ยแค่นั้นะ่ะทั่วเรือนร่างของพราหมณ์นั้นเนี่ยก็เกิดเต็มไปด้วยปีติเนี่ยขนลุกชูชันขึ้นมาเกิดความดีใจนะโหแล้วก็กล่าวว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยอาัศจรรย์เนอพระพุทธเจ้าเนี่ยอัศจรรย์จริงๆไม่เคยมีมาเลยเนี่ยแม้ผลกรรมเพียงเช่นนี้ก็ทำให้เกิดเป็นเป็นเทวดาได้เนี่ยพอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยโห แม้ข้าเองก็มีใจเบิกบานเหมือนกันมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์วันนี้ข้าพเจ้าจะขอถือว่าพระถือพระองค์เป็นสารณะเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของข้าพเจ้าแล้วนี่ทีนี้ทีนี้พราหมณ์พราหมณ์ก็ทําความเลื่อมใสในพระพุทธมีพระเจ้าแล้วและเทพบุตรเทพบุตรคนนั้นก็ทําให้พราหมณ์เนี่ยตั้งอยู่ในสารณะคมตั้งอยู่ในมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในเบื้องหน้า เนี่ยแล้วแล้วเทพประดุษเนี่ยก็เห็นว่าเออกิจที่เราควรทําก็ทําเสร็จแล้วแล้วก็อันตรธานหายไปกลับไปอยู่ในโลกสวรรค์เนี่ยเนี่ยพอพรามเนี่ยที่เกิดความเริ่มใสในพระผู้มีพระเจ้าทีนี้เนี่ยก็เลยดำลํำริว่าเออเนี่ยเราจะต้องเข้าเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าให้ได้ทีนี้ก็ตัวเองก็ไปเข้าเฝ้านะเพระมหาชนก็แปลกใจดี๋ยไอ้พรามคนนี้มันตณนีน่นี่มีปกติตรนีไม่เคยให้ทานให้อะไรใครวันนี้จะเข้าไป ตอนนี้จะเข้าไปเฝ้าเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วโหทีนี้ทีนี้ก็เป็นการเรียกมหาชนให้เข้ามาดูนะเข้ามาสู่เนี่ยแล้วก็พราหมณ์นั้นก็ถามกราบทุณกราบทุณกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเฮ้ยพระผู้มีพระผู้มีพระภาค เ, เจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนที่ไม่ให้ทานอะไรอะไรศีลก็ไม่รักษาเนี่ยแต่ว่ามีความเลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวเนี่ย จะไปเกิดในสวรรค์ได้หรือณนะพะผู้มีภาคเจ้าก็ตัดว่าเออท่านพราหมณ์แม้ในยามรุ่งวันนี้เนี่ยมัททกุลตรีบุตรน่ะได้บอกเหตุให้เข้าถึงเทวโลกของตนแล้วเนี่ยก็คือท่านได้คุยกับมัททกุลตรีแล้วทําไมท่านยังมาถามเอากเราอีกล่ะแล้วทีนี้ทีนี้พอพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยพระองค์เนี่ยก้็ทิฏฐานเรียกให้มัททกุลตรีมาปลปรากฏอยู่ต่อหน้าเนี่ยมัททกุลตรีก็เสด็จลงมาจากเทวโลกนะ ปรากฏกายอยู่ต่อหน้าพระองค์เนี่ยมากับวิมานทองเนี่ยสูงสูงนับไม่ถ้วนเลยนะโหสูงแล้วก็สวยมากวิมานทองเนี่ยแล้วก็เดินลงมาเดินลงมาจากปราสาททองเนี่ยลงมาจากวิมานทองเนี่ยยังสง่างามเนี่ยแล้วพระองค์เนี่ยก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์มัทคุณทรีเองเลยสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง <c oughs> บอกว่าเออเธอเป็นยังไงเธอ เธอเป็นยังไงมายังไงเนี่ยในเรื่องเรื่องมันก็เป็นไปนอย่างที่ที่คุยกับาพามเป๊ะเลยนะทีนี้เนี่ยเ อ, อพระองค์เนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไอ้คนที่คนที่เนี่ยไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลแต่ว่าเอาเพียงแค่เลื่อมใสในพระองค์เท่านั้นเนี่ยก็สามารถไปสวรรค์ได้เนี่ยนี่อนุภาคของพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมนี่คือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ย บำเพ็ญบารมีมา20อาสงขายก็เพื่อให้คนอย่างเรา ไ, ไปสวรรค์นี่คุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยไม่ได้อนุขอเราแค่อนาภาพนี้เท่านั้นยังอนุขอเราแมกทับอัตภาพ ถ, ถัดไปด้วยแ ม, แม่ของเราพ่อของเราก็ยังไม่สามารถทำได้ขนาดนี้เลยจริงไหมพ่อของแม่ของเราเนี่ยประครบหระงมบุตรเนี่ยข อ, ของตนเนี่ยโหอย่างดีตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ย แต่ว่าก็ชื่อว่าช่วยลูกได้แท่อัตภาพเดียวเท่านั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีมานับพบนับชาติไม่ได้บำเพ็ญมาบารมีมายี่สิบอสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากรับก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้เราเนี่ยได้พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายออย่างน้อยทับทับ พ้นไม่ได้ในชาตินี้อย่างน้อยก็มีสวรรค์เป็นใบในเบื้องหน้านี่นี่พระคุณนี่ใช่พระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าไหมนี่ใช่พระมหากรุณาที่คุณหรือเปล่าเนี่ยแม้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะจะเสด็จปรินิพพานนานแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยทาจิตทาจิตของเราเนี่ยให้เลื่อมใสเนี่ยเสมอเสมือนกับว่า พระมผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยยังมีพระพระชนมาชีพอยู่เนี่ยไอดวงจิตที่ที่ทําเสมอเสมือนว่าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็บูชาพระองค์นะการกระทํานั้นนะบุญไปกระทบใครบุญไปกระทบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและผลวิบากนั้นนะ่ะผลของกรรมนั้นนะ่ะก็เสมอกับตอนที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนั่นก็แปลว่า แม้ว่าเรากราบพระพุทธเจ้าในวันนี้เนี่ยถ้าเราทําจิตให้เลื่อมใสจริงๆในพระผู้มีพระภาคเจ้านะวิบากทั้งหลายผลทั้งหลายเนี่ยก็จะเสมอเหมือนตอนที่พระองค์ยังยังมีชีวิตอยู่เลยแปลว่าอะไรตอนนี้แม้ว่าพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วเรายังมีโอกาสไหมนี่พระองค์ยังพระองค์ยังให้โอกาสนะพระองค์บอกว่าเนี่ยเราเปิดประตูเราเปิดประตูอมาตะให้ท่านแล้วท่านจงปล่อยศรัทธามาที่เราสิ ตอนนี้ท่านทั้งหลายได้ปล่อยศรัทธาไปที่พระพุทธอง้์หรือยังเนี่ยแล้วตอนเนี้ยเราทําได้หรือยังเราได้ปล่อยศรัทธาไปที่พระพุทธองค์หรือยังอีกเรื่องหนึ่งนะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอสิพันธกระบุตรเนี่ยพราหมณ์ก็ถามว่าพราหมณ์ก็ถามว่าเออพระ ข่าแต่พระองค์ผู้จเจริญเพราะเหตุอะไรหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงแสดงธรรมแก่คนค น, คนบางจําพวกไม่แสดงไม่แสดงธรรมแก่คนบางจําพวกเหมือนอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าอะไรพระพุทธเจ้าทําไมท่านท่านถึงเลือกแสดงธรรมกับคนกลุ่มหนึ่งอีกคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งถึงยังไม่แสดงละ่พะพระพระองค์ก็ตอบว่าตัดว่าดูก่อนนายคารมนีนาของชาวบ้านในโลกเนี้เนี่ยอุปมาเหมือนว่านานในนา นาเนี่ยมีอยู่สามชนิดเป็นยังไงบ้างกับชนิดหนึ่งก็จะเป็นนาดีนะชนิดของหนึ่งีจะเป็นนาปานกลางแล้วก็จะเป็นนาเลวไอ้นาเลวก็มีดินแข็งดินเค็มเนี่ยบิน ม, มีดินเลวเนี่เป็นต้นท่านสำคัญว่าท่านสาคัญว่าท่านจะหว่านพืชลงในนาชนิดไหนก่อน ก็ถามถามพราม์กลับไปแล้วพราหมก็ตอบว่าเออเอชาวนาที่ต้องการหวานพืชเนี่ยเขาจะหวานพืชลงในนาดีก่อนพระเจ้าค่ะคั้นหวานลงในนาดีนั้นแล้วก็จะหวานลงในนาปานกลางคั้นหวานลงในปากลางในในนาปลานกลางแล้วน่ะก็จะหวานลงในนาเลวมีดินแข็งมีดินเค็มมีพื้นดินเลวเป็นต้นเนี่ยพอเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าแล้วก็ไอ้เวลาหวานลงในนานาที่เลวนะก็จะหวานบ้างไม่หวานบ้างคือ หวานบ้างไม่หวานบ้างเพราะอะไรก็เพราะนิสุดแล้วนะ่ะเมื่อหวานไปแล้วมมเมล็ดข้าวก็ไม่เกิดเขากลายเป็นอาหารโคได้อย่างเดียวนะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าเออฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยเราย่อมแสดงธรรมให้ในงามในอันงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดเนี่ยประกาศพรหมจรรย์ทั้งอัฏฐานทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบรูบรณ์สิ่งเชิงเนี่ยแก่ภิกษุภิกษุณีของเราก่อน ฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าภิกษุภิกษุณีเหล่านั้นน่ะอะไรมีเราเป็นที่พึ่งมีเราเป็นที่เร้นมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นสาระอยู่เพราะว่าภิกษุภิกษุณีเหล่านั้นเขามีศรัทธาเขามีศรัทธาในเรานั่นเองเราก็เลือกที่จะแสดงธรรมเหล่านั้นก่อนให้กับคนกลุ่มเหล่านั้นก่อนและเมื่อแสดงธรรมเหล่านั้นแล้วก็ดูก่อนนายคาเมนีเนี่ยไอนาไอนาเลว น า, นาเลวที่มีดินแข็งเนี่ยดินเค็มเร็วฉันใดเนี่ยเราก็ย่อมแสดงธรรมให้ในอัน ง, งามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดเนี่ยประกาศพมหาจรรย์อัฏฐทั้งพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเดิมแก่พวกอัญญาดีฤทธีหรือสมณธพรมณ์แล้วก็ปริปริภาชกอื่นๆเหล่านั้นในที่สุดเหมือนกันแปลว่าอะไรไอ้คนพระพุพพพทธองค์ก็บอกว่าเนี่ยเราจะเลือกโปรดแก่คนที่ เขามีเราเป็นที่พึ่งเขามีเขามีศรัทธาในเราส่วนไอ้คนที่หลังๆเนี่ยพระองค์จะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนประมาณนี้นะโยมตรงนี้แสดงให้เห็นอะไรและเราเรากลุ่มไหนเราเป็นกลุ่มไหนชรอยว่าเนี่ยแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเลือกเลือกแสดงธรรมให้แก่คนที่พร้อมก่อนเพราะเขาเหล่านั้นเนี่ย พ่าเขามีศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าไงมีพระผู้เจ้าเป็นที่พึ่งมีมีพระผู้เจ้าเป็นที่หลบภัยเราท่านทั้งหลายที่ท่านมาประชุมกันอยู่ในท่าที่นี้เนี่ยสงสัยว่าเราจะประพฤติผิดต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามาอย่างแน่นอนใช่ไหมกว่าเราจะได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเล่นเอาผ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วนี่เราไม่ทําไมเราถึงถึงบุญน้อยขนาดนี้นะบุญทําไมเราไม่ถึง เราถึงไม่มีบุญไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยทําไมเราไม่ได้ไม่ได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่อยู่ตรงหน้าเลยธรรมทั้งหลายเพราะบุญของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้น่ะเราเลยจะไม่อยู่ตรงนี้ไงถ้าเราจะเปรียบเปรียบเราในเหมือนนาเนี่ยเราคงจะเหมือนกับโอ๋นาเลวเนาะมีดินแข็งดินเค็มแต่ว่าถามว่าเรายังมีโอกาสไหม ตอนนี้พระแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพา น, นานแล้วเนี่ยพระองค์ก็ตัดว่าดูก่อนอานนทธรรมะและวินัยนี้เนี่ยจะเป็นาศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่าแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพานแล้วแต่ว่าใครยังทําหน้าที่เป็นาศาสดาของเราอยู่พระธรรมนั่นเองก็แปลว่าอะไร ตอนนี้เราเอาศรัทธาไปฝากไว้ในพระผู้มีพระภาคเจ้าสิเอาศรัทธาไปฝากไว้ในพระธรรมสิใช้เรียลแรงทั้งหมดของตัวเองะที่มีเนี่ยศึกษาพระพุทธคุณศึกษาพระธรรมสินี่ชื่อว่าศึกชื่อว่ามีพระเนี่แหละชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าชื่อว่ามีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าและชื่อว่ามีพระสงฆ์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเราต้องมาฝึก ทุ่มแรงทุ่งแรงกายแรงใจทั้งหมดที่มีนักศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ถ้าท่านทั้งหลายเรายังปรารถนาความงอดงามความเจริญในธรรมนี้เรายังปรารถนาความสุขของต้นอยู่ไหมถ้าเรายังปรารถนาความสุขทั้งในปัจจุบันก็ดีในอัธพาวนหน้าก็ดีในอัธพาวนถัดไปก็ ด, ฐฐกดีพระองค์ก็ตรัสว่าเยเก จ, จิพุทธังสารนังคตาเส นาเตคะ ข, ขมิสันติอปายภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวากายังปริปุเรสันติก็แปลว่าบุคคลเหล่าใดนะที่ถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจกไม่ไปส่วบายเมื่อละร่างกายนี้แล้วจักยังกายเทพให้บริบูรณ์เป็นอย่างนี้นะอ <c> า <oughs> เริ่มมีความหวังขึ้นมาไหมเริ่มมีความหวังขึ้นมานะในที่นี้ในคําว่าสารณะสารณะคืออะไรสารณะก็คือเครื่องครากเอ่อสิ่งที่ฆ่าเครื่องเศร้หมองโดยรอบเนี่ยก็คือคือความเสดุดงทั้งหลายความกลัวทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายทุกขติทั้งหลายเนี่ยนี่ก็คือความความทุกความทุกข์ความเศร้าหมองความกลัวทุกขติเนี่ยโดนทําลายด้วยสารณะนั่นเอง ในคำว่าสารณะที่แปลว่าฆ่าเนี่ยฆ่าแล้วเนี่ยก็ซึ่งความกลัวความสะดุ้งทั้งหลายเนี่ยการเข้าถึงไตราสารณาคมนะมีพระพุทธเจ้านะเนมีพระพุทธมทธมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะมีอนิสงส์นะหาประมาณไม่ได้ที่กล่าวเอาไว้ในคาถาธรรมบทว่าปูชาระเฮปูชยโตพุเทยทียาสาวะเกปะปัญจมาติกันเตตินาโซกปริทเวนเป็นต้น บุคคลที่บูชาบุคคลที่บูชาในที่นี้เนี่ยบุคคลที่ควรบูชานี่มีใครก็คือพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ก้าล่วงผู้ก้ารล่วงแห่งธรรมแห่งความเนื่นช้าก็คือข้ามข้ามโสกปริเทวะได้แล้วก ไม่ต้องมาเกลือกกล้วอยู่อักขศัอกอกขศัล้การมันชั่วร้ายได้แล้วก็หมายความว่าถ้าเราไปบูชาพระพุทธเจ้าเราไปบูชาสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าผู้กว้าวผู้ก้าวล่วมกิเลสได้แล้วเนี่ยผู้ที่บูชาท่านนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยผู้ผู้เอ่อผู้ที่บูชาซึ่งผู้ที่ดับกิเลสไปแล้วเนี่ยไม่มีภัยนะที่ไหนไหนเนี่ยใครใครไม่อาจจะนับบุญของผู้ที่บูชาได้ว่าผู้นี้มีบุญเท่านี้เท่านี้นับเมล็ดบุญได้ว่าผู้เนี้ย มีบุญเท่านี้เท่านี้แปลว่าอะไรถ้าเราบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็แปลว่าบุญนั้นหาประมาณนับไม่ได้ไม่สามารถจะนับนับบุญชนิดนั้นๆได้เลยว่ามีอยู่เท่าไหร่มหาศาลมากเลยนะมหาศาลทีนี้คนที่บูชาบุคคลที่บุที่ควรบูชานะก็จะมีคติอยู่อย่างเดียวว่าถ้าคนเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ายัง ถึงโลกีสระนาคมไม่ขานะมีศรัทธานี่เป็นต้นนะก็จะมีสุขติเป็นไปในภพหน้านั้งแปลว่าตัวอย่างการถึงสระคมในในสมัยพุทธกาลอาตมาจะ ย, ยกตัวอย่างมานะเขาเขาถือสระคมกันยังไงการถึงสระคมในสมัยทพุทธกาลก็มีหลายแบบยกตัวอย่างเช่นออขอท่านพระโคดมผู้เจริญทรงจําก็คือทรงทราบว่าข้า พ, พเจ้าเนี่ย ไม่มีศาสดาอื่นเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะด้วยใจสารณคมถ้าแม้ว่าใครเอาเอาดาบมันคมกริบเนี่ยมาตัดศีรษะของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะไม่ยอมกล่าวพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมกล่าวว่าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมข้าพเจ้าจะไม่ยอมกล่าวว่าพระสงฆ์นั้นไม่ใช่พระสงฆ์เลย เนี่ยแม้ว่าใครจะเอาดาบมาตัดศีรษะข้าพเจ้าก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจแล้วนี่เป็นอย่างนี้การถึงสารณาคมการถึงสารณาคมของอระวะอระวะอาระวะกยักษ์กล่าวว่าข้าพเจ้านี้จากจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองไม่ว่าข้าพเจ้าจะผินหน้าไปทางใดข้าพเจ้าจะาประกาศ นอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นดีจริงๆพระธรรมอันดีว่าพระธรรมนั้นดีจริงๆแล้วก็พระสงฆ์นั้นดีจริงๆเป็นต้นนะเนี่ยเนี่ยอันนี้สงของการถึงไตสรณคมอย่างเนี้ยหาใครๆไม่อาจจะนับผลบุญได้ว่ามีผลเท่านี้มีเมตบุญเท่านี้เท่านี้เนี่ย พระองค์ก็ยกตัวอย่างตัวอย่างของพระพระพุทธเจ้านะก็ยกตัวเอยงยกตัวอย่างของตัวเองขึ้นมาเลยว่าเนี่ยสมัยตอนที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ตอนนั้นพระองค์มีชื่อว่าเวารามาพราตอนนั้นที่เรายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยเวารามาพราเน่ยได้ทำมาหาทานเป็นนันมากทานที่ทำทานที่ทาแล้วก็มีช้างแปดหมืนสี่พันม้าแปดหมืนสี่พันรถ แปดหมื 8, สี่พันโคแปดหมืนี่ันบัลลังก์ทั้งหลายเหล่านี้อย่างละแปดหมืนสี่พันส่วนอาหารของเราเนี่ยก็บริโภคเนี่ยทําอยู่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเนี่ยการให้ทานเช่นนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเวรามาพามเนี่ยไม่ได้พบทักกินยะบุคคลเลยนะไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้ไม่ได้เจอพระโสดาบันพระสกัดทาคามีพระนาคามีพระราหารันไม่ได้เจอเลย เวลาทำทานเนี่ยก็ทำทานให้กับบุคคลทั่วไปอย่างเราๆนี่แหละทำบุคคลทั่วๆไปนก็มีก็รักษาศีลบ้างไม่รักษาศีลบ้างนะทีนี้ทีนี้ท่านจะเปรียบเหมือนกับอะไรไอ้มหาทานที่ทำอย่างติดต่อแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยตั้งโรงทานกัน น, นับโยนไม่ได้เป็นเวลาระยะเเจ็ดปีจดเดือนนะแต่ว่าทานที่ทำกับพระสงฆ์ ที่มีพระโสดที่ให้พระสงฆ์เนี่ยที่เป็นพระโสดาบันหนึ่งพระองค์น่ะอันนี้สงฆ์น่ะมากกว่าที่เวรามาพามนั้นน่ะทำถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนหมดทรัพย์ไปไม่รู้กี่โกรธให้ของกินของเคี้ยวไปเยอะหมดเลยแล้วก็เจ็ดปีเจ็ดเดือนนั้นน่ะแต่ว่ามหาทานที่ทำติดต่อกันอย่างนั้นน่ะตั้งโรงทานก็ไม่รูกีโยน์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเออเนี่ยการให้ทานแต่พระโสดาบันเนี่ยมี มีอานิสงส์มากกว่าขนาดนั้นเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงยกตัวอย่างของท่านเองนะเนี่ยลองคิดดูเถอะว่าว่าทานที่ทําถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเนี่ยให้ให้พระโสดาบันเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยมีผลมากกว่าแล้วแต่ว่าทานที่ถวายแก่พระสกะทาคามีก็มีผลมากกว่านั้นอีกมีผลมากกว่าพระโสดาบันอีกนับไม่ได้ ทานที่ถวายแด่พระนาคามีก็มีผลมากกว่าพระสกทาคามีเนี่ยนับไม่ได้ทานที่ถวายแด่พระอรหันต์หนึ่งองค์เนี่ยก็มีผลมากกว่าพระนาคามีเนี่ยนับไม่ได้ทานที่ถวายแด่พระปเจกพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งพระองค์เนี่ยก็มีมีผลมากกว่าพระอรหันต์เนี่ยนับไม่ได้ทานที่ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยก็มากกว่าการถวายทานแต่พระปเจกพุทธเจ้าเนี่ยนับไม่ได้เหมือนกันแต่ว่า อะไรที่มีผลมากกว่านั้นยังมีอยู่นะถวายทานแดบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยทานที่ถวายแด่สง์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีผลมากกว่านั้นมากกว่าอะไรมากกว่ามากกว่าถวายพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์ด้วยแม้ถวายสง์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ย โ, โหเนี่ยขนาดอันนี้สงเนี่ยนับนับไม่ท้วนแล้วเนี่ย การถวายทานที่มีพระสงฆ์เป็นประมุขเนี่ยมีผลมากกว่ามากขนาดนั้นเลยนะโยมนะอา้าวอะไรที่มีผลมากกว่านี้อีกมีไหมมีอยู่การสร้างวิหารการสร้างกุฏิสร้างที่อยู่แด่พระสงฆ์ที่มาจาก จ, จตุรทิศนะแค่หนึ่งหลังมีผลมากกว่าทานที่ถวายแด่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยโอ้โหเยอะไหม แต่ยังไม่พอนะยังมีอีกนะแต่การถึงไตรสรณคมก็คือการถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คือพุทธทางสรนรังกชามิธรรมังสรนรังกชามิสังฆังสรนังกชามิเนี่ยมีผลมากกว่าการถวายวิหารทานให้พระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยนี่สรณคมเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีอนุภาพมาก ดีไหมอาตมาจะยกตัวอย่างขึ้นมานะในครั้งหนึ่งเนี่ยในโมคลานาสูตรสรายตนาวักเนี่ยพระมหาโมคลาณะเนี่ยได้กล่าวกับเท้าส ก, ก่าว่าเออบอกว่าการที่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยเป็นการดีแท้เพราะการเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยเป็นเหตุให้สัตว์ในโลกนี้เนี่ย เมื่อตายไปแล้วไปเกิดในสุขสุขติในะโลกสวรรค์นะและสัตว์เหล่านี้เมื่อเกิดเป็นเทวดาจะเป็นพระเทวดาที่เจริญกว่าเทวดาเหล่าอื่นถึงสิบฐานนะก็แปลว่าอะไรก็คือคนในโลกเนี้ยมีสารณะคุณน้อยโดยมากไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยก็ไปถือสารณะอื่นก็ไปถือไปถือว่าพระเจ้าเป็นสารณะบ้างไปถือว่าผีสางเทวดาไปถือไปถือพระพิคเนตไปถือพระพระอินพระพรหมอะไรเงี้ยไปถือว่าเทวดาเหล่านั้ น, นเป็นสารณะเนะี่ยเป็นอย่างนี้ไหม เนี่ยเราเห็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเนาะคนที่ถือสารณ ะ, ะพุทธเจา้าเป็นสารณะเนี่ยโอ้โหจึงเลยมีน้อยมากคนที่เข้าถึงธรรมเลยเลยมีน้อยมากๆเนี่ยถ้าถึงสารณะปุ๊บเนี่ยแล้วไปไปแล้วพอคนเหล่านั้นน่ะที่ไปถือสาระคมที่ไม่ใช่พระพุทธเจา้านะไปจะไปเป็นเทวดาคนเช่นนั้น่ะเวลาเขาไปเป็นคดกับคนที่ไปเป็นเทวดาเทียบกับคนที่ไปถือสาระเนี่ย คนที่คนที่เป็นเทวดาแล้วเนี่ยแล้วก็ถือสารณคมด้ว ย, ยจะมีอนุภาพมากกว่าเทวดาธรรมดาธรรมดาถึงสิบสถานะถึงสิบฐานะเลยมีอะไรบ้างถ้าเราถือสารณคมเนี่ยเราจะสว่างสวัยกว่ากว่ า, วาเทวดาเหาอื่นเนี่ยสิบสถานะมีอะไรบ้างสิบสถานะนี้คืออายุเป็นทิพย์ อายุมากกว่าเทวดาเนี่ยที่ไม่ได้ถึงสารณาธมเนี่ยโหแล้วตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาเขานับถือาศาสนาพระเจ้าเนี่ยกันเยอะมากาศาสนาคริสต์เนี่ยมาอันดับหนึ่งอิสลามอันดับสองแล้วก็พุทธศาสาศนาตกมาเป็นอันดับสามนะอันนี้พูดถึงพุทธศาสาศนาในทะเบียนบ้านนะแต่ยังไม่ได้พูดถึงพุทธศาสาศนาที่ที่สำหรับคนที่เข้าถึงสารณากันจริงๆสักคนเล ย, เนยไม่ต้องพูดถึงแนน้อยมาก เทวดาในโลกนี้ก็จึงมีน้อยใช่ไหมสองวันณะเป็นทิพย์ผิวพันธุ์ก็งามกว่าความสุขเป็นสามความสุขเป็นทิพย์เนี่ยบางคนเนี่ยเทวดาบางกลุ่มเนี่ยความสุขที่มีเนี่ยก็มีแต่ว่าเป็นคนเครียดง่ายแต่ก็เป็นแต่คนที่ถึงไตาสารณคมนะไม่ว่าเขาจะยืนไม่ว่าเขาเข า, เขาจะยืนเขาก็เป็นสุขจะนั่งก็มีความสุขจะเดินก็มีความสุขจะนอนก็มีความสุขเนี่ยแต่เมื่อความเกิดมาเป็นวรรย์ต่างๆนะ ใครที่มีสุขในทุกอาเรียบทเนี่ยปราเมิดเกิดตลอดไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดนไม่ร้อนอะไรใครทั้งนั้นเนี่ยบางคนเป็นอย่างนั้นจริงนะเป็นไหมเอออาตมาก็มานึกย้อนกับตัวเองนะเออตัวเองในตอนเด็กๆ เ, เนี่ยไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรกับใครเลยเออเก็เลยเป็นคนคิดน้อยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแต่ลองแต่ลองมาพิจารณานะโอแต่ว่าในอัถภาพทีถ่ถัดมาเนี่ยเราคงจะเคยถือถือไตรสารณคมมาอยู่บ้าง แล้ตัวตัวกำลังกุศลเนี่ยที่มันมีกำลังเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดต่างจากคนอื่นนะจิตใจก็จะจะมีจิตใจที่เบิกบานนะคนประเภทเนี้ยกุศลที่ที่ได้ถือสาระมาอยู่ในฐานะตรงเนี้ยถ้าเป็นเทวดาก็จะมีความสุขมากกว่าคนอื่นถ้าเป็นมนุษย์ก็จะมีความสุขมากกว่าคนอื่นและคนที่เครียดมากๆเนี่ยสงสัยจะไม่ได้สงสัยจะไอต้องวิเคราะห์นะคนที่เครียดมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากเทวดาก็ได้อาจจะมา มาจากทุกขติก็คือพวกสัตว์นรกสัตว์เดรัชานเปรตอสุรกายหรือว่ามาจากเทวดาธรรมดาที่ที่ไม่ได้ถือสารณาคมเป็นต้นการถึงสารณาคมเนี่ยจึงได้ความสุขชื่อได้ความความสุขอันเป็นทิพย์อย่างนี้เนี่ยอะการต่อมาก็เป็นยศยศเป็นทิพยศเป็นทิพย์อะไรยศที่ยศที่ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นและความเป็นใหญ่เนี่ย แต่ความเป็นใหญ่ในยกตัวอย่างเช่นในในสมัยที่เทวดามาประชุมกันเนี่ยมาประชุมกันเนี่ยเพื่อเข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยคนที่ยศใหญ่กว่าก็จะได้นั่งติดกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ถัดลงมาคนที่มีบุญน้อยบุญน้อยก็ออกมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อินเดียนะเทวดาเนี่ยมาประชุมกั น, น ย, ยาวต่อเนื่องกันจนถึงไปประชุม ยาวเวนถึงประเทศศรีลังกาเทวดาบางจมพวนที่มานั่งฟังธรรมยังต้องไปต้องไปยืนพนมมืออยู่กลางทะเลแล้วก็ฟังธรรมอย่างเงี้ยไปยืนไปยืนพนมมืออยู่กลางทะเลเนี่ยน้ํำทะเลเนี่ยปริ่มคอเลยแต่ว่าแต่ว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยเขายังปรารถนาที่จะได้ฟังธรรมแล้วก็ตอนเนี้ยท่านเหล่านั้นคงไปสบายแล้วเนี่ยแต่เรายังเรายังต้องจมอยู่กับความโศกความน้ําไยลำพานอย่างนี้อยู่นะ ประการต่อมาก็จะมีรูปงามกว่าคนอื่นมีรูปงามมีเสียงเพราะกว่าคนอื่นกลิ่นก็จะมีกลิ่นกายหอมกว่าคนอื่นรสก็คือลิ้นที่ไปสัมผัสอาหารเนี่ยหรือว่าอาหารที่ได้มาก็จะปราณีตกว่าคนอื่นเนี่ยผดภพเนี่ยก็จะได้ผดภพที่ดีหรือไปอยู่นะที่ไหนเนี่ยเมื่อหนาวได้สัมผัสที่ดีเมื่อร้อนได้ได้สัมผัสที่เหมาะสมเนี่ยนะ และการถึงพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเนี่ยมีผลอย่างที่ได้กล่าวมายาี้ในเวลาในเวลาที่เราสาธยายหรือสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเราบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะบุญหาประมาณไม่ได้ใช่ไหมเราไปพรรณนาคุณของคนอื่นคุณของเทวดาคุณของพรหมทั้งหลายคุณคุณของอคุณของกษัตริย์ทั้งหลายคุณของ คนเหล่านั้นทั้งหลายหมดทั้งมวลเนี่ยน่มีบารมีต่ำสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้แน่นอนเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าเน่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้นะ พ, พระพระุทธเจ้าเปล่งเปล่ง อ, อสภพิวเจาว่าอโคหัสมิโลกาสะเชโธหัสมิโลกาสะเศทโธหัสมิโลกาสะอายมันติมาชาตินาธิธานิปุณาภโวเราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้ที่เลิศที่สุดในโลกพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปชาตินี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปนั่นก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าพระพุทธเจา้าเนี่ยมีท่านบำเพ็ญบารมีมาเต็มแล้วนะบารมีของท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะหาใครๆมาเทียบเทียบบุญได้เลยสักคนเดียวแปลว่าไม่ไม่สามารถที่จะหาใครสักคนเดียวมาเทียบพระองค์ได้เลย ถ้าถ้าไปเทียบกับบรรดาเหล่าเหลาพรมเหล่าเทวดาเหลากษัตริย์เหล่านั้นเนี่ยหอนว่าบุญน้อยมากมากเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยก่อนนั้นก็อย่าแปากใจเลยนะว่าว่าเวลาเราสรนเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเออทําไมเราถึงจึงเป็นคนที่เอ่อมีเสียงก็เสียงเพราะรูปก็สวยกลิ่นก็หอมกว่าคนอื่นนะเพราะว่าเราอาจจะเคยบูชาเคยสันเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้ามาแล้วก็ได้ อ๋อใกล้ระยมใกล้ละอ่าโอเคอ่าสรุปเลยแล้วกันจะมาอาจะมาพูดถึงมาขนาดนี้เนี่ยเนี่ยในบรรดาผู้ที่เลื่อมใสสิ่งที่เลิศเนี่ยในบรรดาผู้ที่เลื่อมใสสิ่งที่เลิศเดรู้แจ้งธรรมะที่เลิศก็คือผู้เลื่อมใสในในพระพุทธเจ้าอันเลิศผู้ทรงด้วยทักษิณยะบุคบุคคนอันยอดเยี่ยมเนี่ยเลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศพระธรรมเนี่ย ที่เป็นธรรมที่ปราศจากมนทินปราศจากราคะนั่นคือพระนิพพานในเป็นต้นนะไอโลหรือโลกุตละธรรมเหล่านั้น่ะเริ่มใสในพระสงฆ์ที่เลิศเป็นบุญยเขตเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมเมื่อทานให้ในผู้ที่ให้ในผู้ที่เลิศแล้วบุญอันเลิศย่อมเจริญเมื่อมีอายุที่เลิศวันณะที่เลิศยศที่เลิศเลิศเกียรติยศแล้วก็ความสุขทั้งหลายเนี่ยผู้ผู้ที่ให้สิ่งที่เลิศเนี่ยบัณฑิตเนี่ย พรั่งพร้อมด้วยทำอันเลิศเนี่ยเป็นต้นนะเทวดาก็ตามมนุษย์ก็ตามเนี่ยเป็นผู้เข้าถึงความเลิศทั้งสิ้นเลยเป็นผู้ที่เข้าถึงปราโมทคืออันนี้ส่งในการบูชาพระรัตนใยเนี่ยมีมีที่มีผลในปัจจุบันว่าทําทําให้ปราศจากโรคปราศจากอันตรายได้รับผลอันวิเศษเนี่ยมีอายุวันหนเนี่ยทั้งหลายเนี่ยเป็นต้นน่ยมีสุขติเป็นไปในพบหน้าเนี่ยนี่นี่เป็นผล นี่เป็นผลอันเลิศใช่ไหมนี่เป็นผลของสารณคมนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เป็นสารณคมระดับโลกิยะแล้วมาดูสารณคมระดับโลกุตละว่าเป็นยังไงเนี่ยและในที่สุดเนี่ยการเข้าถึงสารณคมระดับโกโลกุตละเนี่ยโรคเป็นชื่อของขันห้าใช่ไหมการมีการมีขันห้าอยู่เนี่ยชื่อว่าเป็นโรคและอันที่และอันที่สุดนะ ในที่สุดเนี่ยการเข้าถึงสาระคมระดับโลกุตระเนี่ยจะเป็นปัจจัยจะเป็นปัจจัยให้ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงได้อละแล้วก็สมควรแก่เวลานะโยมอตมาอตมาขอจบการแสดงธรรมเทศนานะนะบัตรนีนะ้พยมรับพรนะครับ ศาสนาซาจโลกัสอุทีพวตุสัพพทาศ า, า ส, าสานามปีเจโลกันจาเทวะรักขันตุสัพพทาสถททิหนตุสุขีสเปปวาริหิตโนอานิคาสุมนาหนตุสังหาสาเปหียติพีสุขังสุปติสุขังปฏิภุชตินาบาประกังสุเปนังปสติมนุษย์นังปิโยโหติอะมนุษย์นางปิโยโห ต, ติเทวตารักขันตินาสักิวาวิสังวาสทังวากรมติ ตัววัังจิตถังสมาธิยติมุขวรนโนวิปัสสิทธิอสามุนโหารังกโรติอุตริงกะปฏิวิชันโตพรา ม, มโลกุปโคโหติด้วยอนุภาพแห่งคุณของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพแห่งคุณของพระธรรมด้วยอนุภาพแห่งคุณของพระสงฆ์ขอให้คุณโยมทั้งหลายเป็นผู้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอะมนุษย์ทั้งหลาย ไฟก็ดีสัตราก็ดียาพิษก็ดีโลกร้ายก็ดีอย่าได้กล่ำกลายมีสีหน้าที่ผ่องใสมีสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่หลงทำการกริยามีสุขติเป็นไปในพบหน้าปรารถนาทรัพย์ปร า, าปรถนายศปรารถนาความสุขขอให้สมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทิน